ยังไงนอนหลับกันไห ม, <c ười> ม น, นอนหับยืนในอยู่ในที่สงบสงัดมามาหลายวันหลายคืนนะมาเจอบรรยากาศขึ้นเครงนะบรรเลงเพลงยามค่งคืนว้างก็ ก็เหมือนเป็นการทดสอบดูเนา ะ, นะว่าว่าจิตใจเราเป็นยังไงนะเมื่อวานก็ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะก็มีมีเสียงเพลงนะมีความบันเทิงนะแบบโลกๆที่เนี่ยที่คนเขาก็กแสดงกันนะแต่จริงก็ จะดับหรือไม่ดับนะก็ไม่ต้องฝืนมันนะถ้าเรารู้สึกแบบอืมอยากจะดับนะฝืนบังคับมันนะฝืนบังคับถ้ามันไม่ดับนะเราก็จะหงุดหงิดนะหงุดหงิดตัวเราเองหรือว่าหงุดหงิดคนอื่นที่ที่ส่งเสียงรบกวนอันนี้ก็ถ้าเราอยากจะอยากจะบังคับให้มันหลับนะ ถ้ามันไม่ดับมันก็จะเกิดความโปรดขึ้นมาในใจนะไม่ดับก็ช่างมันไม่ดับก็นอนฟังไปนะนอนดูกายดูใจของเราไปนะนะอย่างน้อยร่างกายมันยังไม่ได้พักแต่ใจก็ได้พักแล้วเนมะืนะ่อนะนะถึงเวลาสมควรเดี๋ยวร่างกายเขาก็พักของเขาเองนีหรือถ้าใครดับก็ดีก็ไม่เป็นไะรนะ อันนี้ก็<ส>ก็เหมือนเป็นเป็นการฝึกการวางใจของเราเนาะเนี่ยพอชีวิต จ, จริงบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะเลือกเลือกบรรยากาศเลือกสถานที่บางอย่างเราก็เลือกไม่ได้นะตอนหัวค่ำก็นึกว่าจะโชคดีลนะนึกว่าเขาจะเห็นใจพระเนะื้ดเลี้ยงตรงกันนะแต่พอดึกมาสักหน่อยก็ มีเสียงมามันก็คือความไม่แน่เนาะที่เราบังคับไม่ได้นะแล้วก็คิดเด่นๆไปแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงก็พวกเราก็คงพอหลับกันได้นะ อ, อันนี้ก็เป็นการทดสอบนะแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะบางทีก็คนทางโลกนะที่จริงรวมรวมทั้งตัวเราด้วยแหละนะ เนสิ่งที่สิ่งที่ทําดีสิ่งที่เนดีๆนะก็มีหลายอย่างนสิ่งที่หลงสิ่งที่ยังไม่รู้เองก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันเหมือนคนมันก็ป่าปนกันทั้งทํากุศลทั้งด้านที่ดีทั้งอกุศลทั้งด้านที่หลงเนด้านที่ดื่มตัวหรือด้านที่ไม่ดีเนี่ยนะ มันก็ปะพนกันไปนะนะคนนะบางทีก็จะลึกได้นะตอนตอนยังไม่บวช น, นะบางทีบางในช่วงปีใหม่นะบางทีก็กินเลี้ยงกันนะดึกดื่นเที่ยงคืนหรือบางทีบางปีก็ถึงเช้านะนอก็กินทั้งกินทั้งกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบ้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็กินบ้างนะ พอตื่นเช้าขึ้นมาอา้าวก็กมีใจอยากทําบุญนะออไปตักบาตรรับปีใหม่อะไรแบบนั้นนะอืมตอนกลางคืนยังสนุกสนานเพลินๆแบบดโลกๆนะอตอนเช้ามายังอยากทําบุญตักบาตรก็มีทีก็ตอนนั้นก็งงๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะทําไมเราก็มีสองขั้วแบบนั้น ที่จริงก็คนอื่นก็คงคล้ายๆกันน ะ, นะมีมีทั้งด้านที่ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีในตัวเองนะแต่เราจะฝึกฝนอย่างไรนะให้เรานะให้เราคล้ายๆผักดันด้านที่ดีให้มันแสดงออกมาให้ได้บ่อยๆแล้วก็ด้านที่ไม่ดีคอยรู้ทันมันไม่ให้มันแสดงออกมาหรือว่า ไม่เผอทำตามตามมันให้มากที่สุดเนะี่ยคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะเราไม่ปฏิเสธอกุศลที่มันมีนะแต่เพียงแต่ว่าเราเพียรที่จะสร้างกุศลให้มันงอกงามมากขึ้นนะนะถ้าเราพยายามฝึกฝนให้กุศลนนะมันจเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นเนะี่ยมันก็มันก็จะถูกใช้บ่อยนะนะ เหมือนเข้าของเครื่องใช้ของเราเนาะอะไรที่เราใช้บ่อยหนะยิบจับมาใช้บ่อยนะเราก็คุ้นเคยกับเขานะหาก็ง่ายหนะยิบมาใช้ก็ง่ายนะใช้ก็คล่องนนะแต่อะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะบางทีเก็บไว้นานๆนะจะมาหาทีก็หายากหาไม่เจอเอามาใช้ก็ ไม่ค่อยคล่องนะเหมือนเขาว่านะเหมือนเขาว่าอันนี้เราก็ไม่รู้จริงหรอกนะึอย่างคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเทคโนโลยีต่างๆนะถ้าเราใช้อะไรบ่อยๆนะเนีเรามันก็จะดึงมาอยู่ข้างหน้าหน้าเลยนะพอเรามาใช้อีกทีมันก็กระโดดออกมาให้ใช้ได้ได้เร็วนะแต่อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็เก็บอยู่ลึกนะ กว่าจะดึงออกมาใช้ก็ช้ากว่าตัวเราเองก็เหมือนกันนะเราใช้อะไรไบ่อยๆนะมันก็ดึงส่วนนั้นออกมาออกมาใช้ออกมาแสดงนะให้เห็นบ่อยๆหรือว่าเป็นความคุ้นเคยบ่อยๆอย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็เปรียบเทียบนะลักษณะ ข, ของคนดีกับคนคนเลวนะ หรือว่าคนชั่วง่ายๆนะท่านบอกว่าคนดีก็คือทำดีง่ายนะทำชั่วยากนะคนชั่วก็คือทำชั่วง่ายทำดียากนะแต่ก็พูดถึงก็คือคนมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครเป็นคนดีก็คือทำดีได้ง่ายนะทำชั่วยากนะ เพราะว่าอะไก็คุ้นเคยกับการทำดีนะนก็กาทาดีนะง่ายๆนยะไม่ได้ยากไม่ได้ฝืนเพราะว่าทำจนชินทำบ่อยๆนะแต่ความชั่วนี่นา น, นานทํทำทีหรือว่าไม่ได้ทำมานานแล้วนะจะให้ไปทำอีกนยะมันก็ไม่คุ้นเคยละนะมันก็ไม่คล่องที่จะทำละแต่คนชั่วเองนี่นะทำชั่ว บ่อยทำช่วยจนเพลินจนทำง่ายนะเหมือนเราเคยติดอะไรสักอย่างเคยไหรู้สึกอย่างถ้าเป็นผู้ชายนะบางทีเคยติดสูบบุหรี่เคยติดกินเหล้าแบบนี้เนาะตอนทำแรกๆมันก็ทำดูยากนะสูบบุหรี่ก็ดูแบบหมูดูแบบสำรักดูสูบไปแล้วก็ฝืนนะแต่พอสูบไปบ่อยมันก็ชินเนี่ยชิน สู่ไปก็ไม่รู้สึกสำลักไม่รู้สึกรู้สึกคล่ อ, องละนะกินเหล้าก็เหมือนกันกินแก้วแรกๆ ก, กินครั้งแรกๆนี่ก็รสขมเลือเกินฝาดพอเหลือเกินนะต้องดีตาต้องอะไรแย ะ, ย ะ, ยะมากมายแต่พอกินไปเรื่อยๆเมาไปเรื่อยๆก็กินเหมือนกินน้ำ <c oughs> กินเหมือนแซฟซี่เลย กินจนคล่องไปเลยนะีอันนี้พะอะไดทํำบ่อยๆนะจนกลายเป็นความเคยชินนะี่เป็นความคล่องนะี่จนกระทั่งก็อาจก็ติดไปก็มีนี่นะอันนี้คือบางทีพอเราทําอะไรก็แล้วแต่นะเว่าจะทําดีทําไม่ดีนะทําบ่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินเนาะแต่ครั้นี้เรามาฝึกฝนตนหนึ่งไงนะี่ ฝึกฝนตามที่พระพุทธเจ้าท่งสอนเนาะนะให้ละความชั่วนะความชั่วอะไรที่เราเคยเคยติดเนะีนะ่ยมันไม่ดีเนะี่ยเราพยายามละมันเสียนะอยอย่าพยายามอ่านนะว่ายากหรือง่ายนะนะถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกฝนต่อแรงละนะความชั่วนเะอนะขึ้นชื่อว่าไม่ดีแล้วนะก็พยายามละมันเสียนะ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำนะเป็นคำพูดนะหรือเป็นความคิดนะต้องละตรงนี้ให้ได้นะละโดยการที่ไม่สนองตามความคิดนะไม่ทำตามมันพยายามละมันให้ได้ตรงนี้แหละมันก็จะใหม่ๆมันก็ต้องฝืนบ้างนะฝืนความเคยชินกเก่านะ ที่เคยทำแบบนี้ที่เคยพูดแบบนี้ที่เคยคิดแบบนี้นะแต่พอเราฝืนนะบางทีก็ทนบางทีก็ฝืนนะบางทีก็ใช้อุบายหลาย อ, อย่างบ้างแต่นิสัยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตัเองนะจากที่เคยทำยากก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะทำง่ายขึ้นง่ายขึ้ น, นทําดีเองก็เหมือนกันนะ ถ้าเราทําจนเป็นประจําเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเหมือนเราทําวัดเช้าน่ะตื่นขึ้นมาทุกคึกเช้าตื่นเช้าบ่อยๆนะวันแรกๆก็งัวเงียหรือว่าต้องฝืนหน่อยนะพอตื่นเป็นประจำแนะวมันก็มันก็ไม่ยากละนะมันก็ไม่ฝืนเท่าไหร่ละนะใช่ไหมเหมือนเราเดินตู้โดงเหมือนกันนะวันแรกๆวันที่สองในเดินเหมือน เครื่องไม่ค่อยติดนะ <c oughs> เดินก็ปวดเมื่อยเหนื่อยล้าบ้างนะพอวันที่สามวันที่สี่ขึ้นไปเนะีะวันที่ห้าวันที่หกทีเจ็ดเนี่ยรู้สึกก็ <c oughs> เดินคล่องขึ้นนะอะไรที่เคยติดขัดเนยะหัวเข่าข้อเท้าหลังไหลอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็เข้าที่เข้าทางของมันนะอืมแม้พักเดินแล้วก็อาจจะเมื่อยล้าบ้างนะแต่พอเดินมาอีกทีมันก็ เดินได้คล่องขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ร่างกายแล้วมันปรับตัวเนะเอมันปรับตัวให้เราได้ได้ทําเป็นคล่องขึ้นนะนั้นทุกคนเนาะก็พยายามดูตัวเองเรามีการบ้านอะไรนะในใจของเราในตัวของเรานะที่เราอยากจะละนะสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีนะ ในกายวาจาใจ น, ะนี่ก็เนี่ยเราก็ตั้งโจทย์ที่จะละมันเสียเนะี่ยการทุดงจริงๆก็แบบนี้นะนะที่จริงทุดงขวัดสิบสามข้อเนะี่ยเป็นอุบายนะแต่จริงถ้าเราจะทุดงจริงๆก็คือเนะี่ยการขัดเก่าการขูดเกลเนะี่ยอะไรที่มันไม่ดีในจิตในใจเนี่ยให้มันออกไปนะละสิ่งที่ชัว่วละ และสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นได้ในใจได้เนี่ยอันนี้คือ <c oughs> คือสิ่งที่เราสามารถทุดลงได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะ <c oughs> เราเห็นว่าอะไรที่เป็นนิสัย <c oughs> ที่มันไม่ดีในตัวเ <c oughs> ที่มันชินเน <c oughs> อย่ยจะลกมันเสียแม้บางทีทางโลกมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่บางทีถ้าเรารู้ว่ารู้สึกว่ามันก็ มันมันติดอะมันติดเอาง่ายๆนะเช่นเรื่องกินเบล่า น, นี้นนะบางทีทางโลกก็ไม่รู้สึกผิดอะไรนะถ้าเรามีเงินไปกินหรือกินถูกเวลานะแต่บางทีเราก็ติดในรสชาติของอาหารนะติดในความอรเด็ดอ่อยความปานี่นะอะไรต่างๆ่างนะอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่บางทีทางโลกเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเรา ไม่ไปรักของเข้ามากินนะมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเรื่องกินก็มันเป็นเรื่องที่เรายัางติดอยู่นะแล้วก็รัมันเสียเรื่องซื้อของก็เหมือนกันเรื่องซื้อของบางทีความเคยชินของเราเนะี่ยเราก็มีเงินเงินเราก็ได้มาด้วยบริสุทธิ์นยะเราก็จะซื้ออย่างที่เราอยากจะได้ทันทีนะ บางทีมันก็มีเนี่ยความจําเป็นกับความอยากของนี้เนาะบางทีเราก็ซื้อทั้งสองอย่างแหละนะไอ้จาเป็นก็ต้องก็ซื้อไ อ, อ้ยากก็ซื้อบางทีก็ได้ละไม่ได้นแะต่จะทํายังไงซื้อเท่าที่จําเป็นแต่ไม่ซื้อด้วยความอยากตรงนะี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถฝึกผลได้นะฝึกผลได้นะ อย่างมาสังเกตดูอย่างสมัยพุทธเจ้าท่านไม่พิสุจน์ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปัจจนะัยเนอะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเนะ่ยมันก็เพราะว่าสิ่งที่จําเป็นเนี่ยก็รอญาติโยมเขาถวายนะไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปหาซื้อมานะอแต่ในสมัยนี้เองญาติโยมก็อาจจะไม่ได้ อุปถากตตลอดในบางวาดัดตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีปัจจัยมันก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราใช้จำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างนี้ญาโยมเองก็เหมือนกันปัจจัยของเรามีของตัวเองเราจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ดูนะมาทีทางโลกมันอาจจะดูไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเรามองว่า มันก็เป็นเรื่องที่เราติดอยู่เป็นเรื่องที่เราต้องอยากจะแก้ไขพัฒนาตัวเองต่อไปมันก็ก็ค่อยๆค่อยๆลดค่อยๆละมันเสียนะในหลายอย่างนะเนะีรวมทั้งบางทีความใจร้อนนะของเรามีไหมนะความเอาแต่ใจของเรามีไหมนะลอง ลองดูมันแล้วก็เราจะมีข้อวัดแบบไหนในการที่จะละมันเสียมีนิสัยแบบไหนที่จะละมันเสียอลองทำอะไรช้าลงบ้างไหมอย่างเช่นกินข้าวนะช้าลงสักหน่อยนะเดินช้าลงสักหน่อยอะไรนะนะรับโทรศัพท์ช้าลงสักหน่อยได้ไหมบางทีโทรศัพท์ดังปุ๊บ นับปันะ๊บเนี่ยสังเกตไหมบางทีก็ตอนพยายามหาตัวสักบางทีก็มันก็แบบขาดสติไปเนาะอแต่ถ้าเราตั้งสติก่อนได้ยินเสียนหรือรู้สึกมันสั่นแล้วอ่ะตั้งสติถ้าสติเราดีๆนะเราจะรู้ทันทีแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปคว้านหาให้มันยุ่งยากแบบนะี้เนาะขณะที่รับก็รับอย่างมีสติเนี่ยตอนพูดคุยก็ได้มีสติต่อเนะ ไอ้แบบเนี้ยคือข้อวัดง่ายๆนะที่ที่เราก็ลองฝึกดูนะหาหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราตั้งใจจะฝึกตัวเรานะนะละสิ่งที่ไม่ดีนยะออกไปนะไอ้สิ่งที่ดีเองก็ก็ต้องฝึกทำให้เป็นประจำนะนะการมีกิจวัตรก็ช่วยได้นะนะ อย่างเรามีกิจวัตรตรวจมนทำวัดเนยบินทบาตชั้นในบาตฉันในภาชนะเดียวเลยนะหรือว่าเรามีการปฏิบัติในรูปแบบนในแต่ละวันมีการเรียกว่าตั้งใจว่าจะทําในรูปแบบให้ได้อย่างน้อยเท่าไรเท่าไหร่เนะไอ้กิจวัตรพวกนี้ก็ช่วยเราได้เยอะนะอบางวันขี้เกียจน่ะ ตื่นนอนนะแต่ก็มีกิจวัตรว่าเราต้องตื่นมาทำวัดนะบางวันก็ทำอะไรเพลินๆอยู่นะแต่มีกิจวัตรต้องทำวัดเย็นขึ้นก็ก็จะได้แบบวางงานอย่างอื่นมาทำก่อนหรือแม้จะเหนื่อยจะเพลียขนาดไหนตั้งใจจะปฏิบัติในรูปแบบบ้างนี่มันก็เป็นการฝึกนิสัยนะฝึกนิสัยให้เราคุ้นเคยในการทำดี เหมือนเห็นบางทีเห็นญาติโยมนะเขาใส่บาตรทุกเช้าทุกวันเนะี่ยอันนี้จริงเขาก็เขาทำจนดูเหมือนง่ายนะแต่จริงให้คนทั่วไปทำมันก็ทำยากนะอมตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาก่อไฟมาหุงข้าวมาเตรียมกับข้าวมารอพระเพื่อใส่บาตรทุกเช้าเนะี่ยถ้าเราดูคนเฒ่าคนแก่เขาทานะดูเหมือนง่ายเป็นชีวิตประจำวันของเาแหละ มันง่ายเพราะว่าเขาทำมาหลายปีแล้วเนะี่มันก็เลยดูง่ายนะแต่เราคิดดูดิความที่เขาสม่าเสมอนะตื่นแต่เชานะ้าเนมาหุงข้าวเนะมาทำกับข้าวไหนจะรอพระเนะ่จะทำอะไรก็ต้องคอยดูพระเดินผ่านหน้าบ้านตัวเองได้ ย, ยังเนะี่คอยดูหรือคอยสังเกตเสียงเนะ น, นี่ยนี้ก็คือความเคยชินที่เขาทำบ่อยนะ คนแบบนี้นะดูดูดน่าศรัทฐาบางทีของที่ใส่ในแต่ละวันอาจจะไม่ได้มากอะไรมากมายนะแต่เขาทำเป็นประจำทุกวันเนะี่ยมันก็เป็นการสร้างนิสัยของเขานะนั่นจะต่างจากบางคนก็ใส่ตามตามโอกาสเนาะวันเกิดปีใหม่หรือว่าเทศกาลต่างต่า ง, าง น, นบางคนใส่ของเยอะนะเออ เตรียมของใส่เยอะมากมายในตามเทศกาลต่างๆแต่จริงก็หารู้ว่าพระก็ได้รับของเยอะเหมือนกันเนี่ยเทศกาลแบบนั้นเพราะมีแต่คนใจตรงกันจะใส่แบบนั้นนะก็ไม่ละแต่ก็คือว่าบางคนทำหนักนะแต่นานๆนทำทีนะก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละก็ดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าจะดีกว่าก็คือว่า เหมือนคนที่ขาทำเป็นประจำเนา ะ, ะ, ะทาเป็นประจำนะอาจจะไม่ได้ทำมากนะแต่ก็ทาเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันเป็นการสร้างนิสัยความเคยชินนะความเคยชินในการทำบุญมันก็ง่ายในการทำบุญนะความเคยชินในการพูดดีนะมันก็ง่ายในการพูดดีนะที่เราก็ต้องระวังนะบางทีนะับ ปฏิบัติเองก็ต้องระวังคําพูดนะคําพูดนะคาพูดที่ส่อเสียดนะไม่ว่าจะส่อเสียดโดยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเนะก็ต้องระวังนะบางทียิ่งเราเป็นคนคิดเก่งคิดเขียบคมอะไรแนี้บางทีคําพูดของเราอะบางทีอาจจะเหมือนใบมีดที่คอยเชื้อเฉือนนะ เชื้อเชิญคนอื่นเชื้อเชิญเนี่นนะยแตจริงก็มันก็บางทีอาจจะต้องระวังว่าบางทีคำพูดแบบนั้นมันสอนในแง่ของการเอนะเสียดสีไหมเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูนะดูบางทีก็ต้องระวังนคํ า, านะคพูดสอดเสียนดะคําพูดเพนะิรเจอร์เน่ยคําพูด พูดหยาบพูดอะไรก็คงพวกเราก็คงไม่ค่อยท้อใจเยอะนะอันนี้คือก็ต้องระวังนะบางทีพ ร, ร, ระุทธเจ้าท่านก็เตือนพวกเราไว้นะวาจานะวาจาที่เป็นสุภาษิตนะนะเป็นแบบไหนนะงงนเราก็ฝึกตัวเองลยเนะบ่อยๆถ้าเราทำจนชินนะมันก็มันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นนะแมแกแรกๆมันอาจจะอาจจะยากนะ แต่พอทำไปบ่อยมันก็ง่ายขึ้ น, ะนทีเราก็ดูก็ได้นะแต่เราคนทาไมนิสัยเจคอไม่เหมือนกันนะบางทีบางคนเขาก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กนะพอเรามาเจอเขาเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะหรือบางคนเขาก็ฝึกมาหลายชาติแล้วเขาก็เลยเป็นแบบนี้อนะ่าแต่ถ้าจะว่าไปจริงคือเขาก็ผ่านการฝึกผ่านการทำมา นะมานานมาบ่อยนั่นแหละจริงเป็นแบบนี้นะชาตินี้ที่เราเห็นเขาก็เลยดูง่ายนะ่แต่จริ ง, งก่อนนั้นนั้นเขาก็อาจจะยากเหมือนกันนั่นแหละนะเราเองก็เห็นตัวอย่างที่ดีเราก็เอามาเอามาใช้เนาะอย่าไปเปรียบเทียบว่าเขาดีแล้วเราเราเราทําไม่ได้เหมือนเขานะ เราก็ทำได้เหมือนเขาแหละนะแต่เราต้องเริ่มต้นตั้งหนึ่งนับจากตัวเราก่อนนะ ค, อคอ่อยๆใส่เต้าจากตัวเราเองนะเห็นคนอื่นทำได้เราก็ต้องอมั่นใจว่าเราก็ทำได้นะไม่ใช่เขาทำได้เราทำไม่ได้นะเขาทำได้เราก็ทำได้นะให้มั่นใจแบบนี้นะ อ, อ, อันนี้คือละชั่วทำดีเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็สิ่งสําคัญคือทํทาไงหลักจิตถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะไม่หลงเนะอืมไอ้ที่คนทั้งโลกเขาหลงทําไงเราถึงจะไม่หลงนะเนะพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะตอนแรกได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านคงทําได้แต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่า น, นั้นแลนหละน่านะท่านตัดไว้ว่าอะไรท่านตัดไว้สู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นะ อันงดงามหลุดราชรถซึ่งคนเขาหมกอยู่นะผู้ที่มีปัญญาหาข้องอยู่ไหมท่า <c oughs> นบอกว่าคนมาดูมาดูมาดูโลกนี้นะที่คนเขาเขาหลงนะหลงเป็นสิ่งเหมือนเป็นราชรถนะสวยงามประดับประดานะแต่จริงคนที่มีปัญญ า, าค่อยๆมองเห็นว่า ในความสวยงามมันก็มีความไม่สวยงามนะมันอยู่ในนั้นนั่นแหละเช่นถ้าเราดูตามเทศกาลต่างๆเนาะประดับประดาสวยงามมากมายนะอย่างเช่นรอยกระทงเนี่ยเอากระทงมาประดับประดาสวยงามมากมายดอกไม้ประดับประดาสวยงามมากมายมมาแต่พอดูวันร้องขึ้นสิเนีย จากสิ่งสวยงามกลายเป็นขยะมากมายเหมือนกันนะใช่ไืมขยะเต็ม <więc> น้ำขยะเต็มฝั่งขยะเต็มถนนตามงานเทศกาลต่างๆยมาห่อกระสอบอยนี้ตอนมาห่อกระสอบก็ดูสวยงามดูดีไปหมดพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็เศษขยะเต็มไปหมดเลยอออันนี้ก็พรจาท่านเห็นอยู่ในอ้อมมันจะไปหลงมันแบบนี้เนาะ ในร่างกายของเราเองก็เหมือนกันเนาะนะมันดูสวยงามแต่สุดท้ายก็ต้องแต่มันก็มีความไม่สวยงามอยู่ข้างในเหมือนกันแหละนะเราก็เห็นนะความไม่สวยงามในร่างกายเรามันก็มีนะแต่บางทีเราก็มักไปหลงนะนะไปหลงในตู้หลงในรสหลงในกลิ่นหลงในเสียงนหลงในสัมผัสนหลงในความคิดนึกความรู้สึกต่างๆแต่พระเจ้าท่านบอก ให้ออกมาดูโลกนะออกมาดูโลกนี้นะที่มันดูภายนอกดูงดงามสวยงามเหมือนราชรถที่เขาประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะแต่ท่านบอกว่าคนเขาเขาหมกอยู่นะคนเขาคือผู้ไม่รู้นะไม่ใช่คนเขานี่บางทีอาจจะเป็นทั้งคนดีคนไม่ดีนะคนดีแต่หลงอยู่ก็มีคนไม่ดีหลงอยู่ก็มีนะ ว่าเขาคือคนที่ไม่ไม่รู้ความจริงนะนะจิตยังไม่ตื่นนะยังไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็เลยหลงเวียนไหวไตเกิดนะดีก็เวียนไหวไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะชั่วก็เวียนไหวไเกิดในภพภูมิที่ชั่วนะแต่ยังไงก็ยังเวียนไหวไตเกิดอยู่นะนะเมื่อเวียนไหวไตเกิดก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย เจอความพักผ้าสูญเสียเจอสิ่งที่เป็นทั้งที่รักที่ไม่รัก <P ORT> พอใจไม่พอใจท้งนั้นก็ต้องร้องไห้ก็ต้องเสียใจเพราะความทุกข์เพราะความผูกพันมาไม่รู้กี่เพราะกี่ชาติอย่งนี้นะแต่พระเจ้าท่านถ้าให้เราเห็นถ้าเราเห็นนี่เราจะได้เบื่อหน่ายเบื่อหน่า ย, เ บ, า ย, เ, บายเบื่อหน่ายในโลกเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายมันก็เกิดการคลายกําหนัดนะคลายกาหนัดก็คือคลายความยินดีนะคลายความพอใจนะนะคลายการถือมั่นนะนะยึดมั่นนะอันนี้คือเราต้องมาดูดีๆนะเราสติคอยดนะูคอยดูสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกนะสิ่งที่ดูเหมือนงดงามแต่จริงมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราเองก็เหมือนกันแม้แต่อารมณ์ความคิดนยก็ยึดถือไม่ได้นะความรู้สึกนะสุขก็ยึดถือไม่ได้สงบก็ยึดถือไม่ได้นะอะไรก็ยึดไม่ได้นะะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆเนาะเราก็ดูมันดูให้เห็นมันเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน มันก็จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเนะี่ยอันนี้คือนะพยายามดูเนาะอยู่กับโลกก็ดูโลกนะโลกในที่นี้หมายถึงทั้งโลกภายนอกนะทั้งโลกภายในนะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านจะเน้นโลกภายในนี่แหละนะโลกภายในคือกายกับใจนี่แหละนะคำว่าโลกในทางพุทธศาสนาตท่านจะเน้นเนีนนะ่ยมาดูโลกเนะี่ยมาดูกายดูใจนี่แหละ ถ้าจะดูโลกภายนอกก็ดูคนอื่นดูการนั่งเล่นดูนั่นดูนี่ก็ย้อนกลับมาดูตัวว่าอมันก็มันก็สมมุติกันไปแบบนั้นเนาะประดับประดากระแบบนั้นบันเทิงแบบนั้นหลงแบบนั้นนะเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเพราะเราก็เคยลงเหมือนกันเรื่นี้เนาะแต่ถ้าเรามาศึกษามากขึ้นมันก็จะค่อยค่อยห่างไปห่างไป ห, หรือว่า ที่เคยหลงสนุกสนานแบบนั้นล้วก็จืดชืดไปนะตามการเวลาตามการฝึกฝนของเราเองเนี่ยก็ดูโรคในะด้วยควา ม, มสนุกสนานนะแต่อย่าไปหลงกับมันนะเป็นคนหลงเราก็เตือนตัวเองเราจะไม่หลงตามเขานะนะเป็นคนทุกข์นะ เราก็ส่งสารเขาแต่ก็เตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทุกข์เหมือนเขาอะไรนะนะเห็นคนดีอเห็นคนที่รู้นะเราก็จะได้มีกําลังใจว่าเออเขาทําได้นะเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนเขานะถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบแบบนี้นะนะเพื่อจะได้เกิดกําลังใจในการทําความดีเกิดกําลังใจในการทําความเพียรแล้วนกะ็นะนะ หรือว่าเห็นคนดลงก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราอย่าไปหลงเหมือนเขานะเห็นไหมเขาทํามันน่าเกลียดมันไม่น่าดูนะถ้าเราเผลอตอนไหนเราเผลอเราก็ลืมดูตัวเองว่าเราก็เผลอไปน่าเกลียดไม่น่าดูแบบนั้นนั่นแหละนะแล้วก็เตือนตัวเองจะได้ไม่ทําเหมือนเขานดี๋ยถ้าเผลอทําไปแล้วก็ช้าหัวมันนะก็ตั้งใหม่ตั้งใจใหม่ว่าเออครั้งต่อไปจะไม่ทําอีกเนะก็ตั้งใจแบบเนี้ย แ้วเราก็จะ ค, นนะค่อยพัฒนาน่ค่อยๆห่างไปเรื่อยนะ <applying> ห่างห่างจากข่าศึกนะที่เป็น <be ad im edia> อกุศลต่างๆนะคาว่าอริยะก็คือเนี่ยไกลนนจากข่าศึกนะข่าศึกก็ ค, คืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแหละนะนี่ยมันเป็นข่าศึกทําให้อกุศลมันนอนเนื่องในจิตใจในสันดานนี้นะ <be ad im edia> อริยะก็คือ ไกลออกไปนะ่ะไกลจากค่าศึกเนหะมือนเราห่างจากของเหม็นแบบนี้เนาะของเหม็นเม็นเราอยู่ ใ, ใกล้ของเหม็นนะเป็นอุจจร ะ, ะเป็นซากสัตว์ที่เน่าเหม็นเนี่ย เ, นะเราห่างไปออ ก, กไปไกลๆเนะนี่ยกินเห ม, ม็นแล้วก็แล้วก็ห่างเราไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ต้องดมกินกินเหม็นเราห่างจากอากุศสันบ่อยๆเนี่ยนะนะ แล้วก็ไกลจะค่าศึกเรื่อยๆไกลจะค่าศึกเรื่อยๆนะอคุณสนก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้นะอันนี้คือนะ้อค่อยๆฝึกไปน้นอะฝากไว้